พ่อบอกว่าคืออยากจะไปไปไปอยู่อยู่บ้านเขาหน่อยแต่อมามีแผนในใจไงอยากไปดูว่าความสุขมันอยู่ตรงไหนแล้วอาตมาจะได้หาท่นานหมอเขไปเขาก็พาก็เอ็ น, นู้ว่าจะกินอะไรที่ว่ามาก็ไปมองไปสังเกตไปดูผม oh, ไม่ใช่แล้วพอไปดูจากก็อยู่ในบ้านแล้วไม่ใช่แล้ว ความทุกข์ที่เขาอยู่กันเขาขัดแย้งกันจะต้องมีปัญหายัางไงโอไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ไม่เอาแล้วที่แรกก็คิดใช่ไหมคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงมันมันมันถึงจุดน้นอันนี้มันคิดใหม่แล้วแล้วมันอะไรแล้วมันอะไรก็ถามโดยเองอยู่เนี้ยติงบอกว่าคิดไปเถอะมันไม่ใช่จริงๆที่เราท่านทั้งหลายเราเดินเดิ น, เ ด, นเดินกันเนี่ยถามว่า กินอาหารมันสุกแป๊บเดียวมันก็หมดร้อนไปอาบน้ำแป๊บเดียวมันก็หมดมันเป็นอย่างนี้เราก็ถูกหลอกมาตลอดขยันเรียนลูกจบแล้วจะสบายจบมาแล้วลูกมีงานทำเดี๋ยวจะสบายแต่งงานที่ลูกจะสบายมีลูกที่สบายลูกโตจะสบายลูกแต่งงานจะสบายถูกหลอกมาอย่างยาวนานใช่ไหม คำว่าถูกหลอกในที่นี้แปลว่าท่านก็เต็มที่ท่านแล้วเนอะเพราะท่านก็ถูกข้อมูลมาอย่างนี้ีกว่าเราจะมาศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้ากว่าจะรู้เราถึงรู้ว่าแนวทางนั้นหนทางนั้นมันไม่ใช่หนทางดับทุกข์อย่างถาวรมันเป็นการแก้ทุกข์ได้เฉพาะหน้าเท่านั้นเองแต่การดับทุกข์ได้อย่างถาวรก็คือการได้อนุปาทาปรินีพานใช่ไหม แต่การจะเข้าถึงเส้นทางในการอนุปาธานปานิทานนั้นก็คือการเดินตามเอกยนะมรับก็คือว่าการจะเดินตามทางนี้ได้เนี่ยการจะเข้าถึงคําสอนพระยาได้ต้องศรัทธาท่านผู้เก่าวแล้วต้องเห็นก่อนว่าท่านผู้นี้เป็นใครต้องไปศึกษาคุณของท่านจริงๆเพราะในขณะที่ระลึกถึงคุณของท่านแล้วเป็นปัจจัยการบรรลุได้ดังที่ได้กล่าวเนี่ยทีนี้หลายท่านถามมัออกมาบอกว่าจเจริญพัตถคุณแล้วเป็นสติปัฏฐานยังไงใช่ไหม เออเป็นสติปัฏฐานยังไงว่า อ, อสติปัฏฐานมีสีเท่านั้นคือกายานุปัสนาเวทานานุปัสนาจิตตานุปัสนาแล้วก็ธรรมานุปัสนาเท่านั้นเนี่ยแต่ถามว่าเราจะเรียนสัมภารวิบากศึกษาสัมภารวิบากเนี่ยวิจัยเรื่องคัมภีรต่างๆหรือพรุทธคุณทั้งหลายเนี่ยเส้นทางการบังเป็นบารมีของพระรมิส า, าสดานเนี่ยมันจะเป็นสติปัฏฐานได้ไหมเนี่ยมันจะทําให้เส้นทางของเราเนี่ยยืดยาวไ ป, ไปกลายเป็นว่า หลายๆคนปราดนาจะฟุ้นทุกบอกไม่เอาแล้วฟังคมพี์นี้อ่านเอาเองก็รู้เรื่องเนี้ยนะไอ้มาเรยบอกว่าถามว่าในกรณีที่พูดมาเนี่ยถ้าถามบอกว่าในขณะที่เจตนาก็ดีศรัท ธ, ธาก็ดีปัญญาก็ดีนี่ที่ไปปรารภคุณของพ่อบรมศาสดาตอนนั้นเป็นมหากุศลนจิตตบาทใช่ไหมถามว่าเมื่อเป็นมหากุสุจิตตบาตเกิดขึ้นเบเสร็จแล้วในขณะนั้นเนี่ย ถามว่ามหากรุชนจิติบาตนั้นอาศัยอะไรเป็นไปอยู่อาศัยรูปธรรมเป็นไปใช่ไหมเมื่ออาศัยรูปธรรมเป็นไปอยู่ก็เกี่ยวข้องกับรูปขันใช่ไหมทีนี้เวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันแล้วก็วินแล้วก็สังขารเจตสิกที่เหลือเป็นสังขารขันแล้วก็จิตก็เป็นวิญญาณขันที่ลองไปดูกายในเรื่องของสติปัฏฐาน ถามว่ากายานุปัสสนานั้นท่านแสดงรู ป, ปรขันกายานุปัสนาติปทานใช่ไหมมีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะเนี่พิจารณาเลยรู ป, ปรขันเห็นไหมเวทนานุปัสนาติปทานคือสติไปพิจารณาเวทนาขันเอาสิสติอือวิริยะหรือปัญญาเป็นต้นวิจัยเวทนาก็เป็นเวทนาขันจิตตานุปัสนาสติปทาน เห็นหอันนั้นก็คือวิญญาณขันส่วนธรรมานุปัสสนานั้นก็คือสัญญาขันและสังขารละขันที่เหลือถ้าถามบอกใช่สติปัฏฐานไหมเนี่ยเห็นไหมก็คือสติปัฏฐานทีนี้ในขณะที่ไปไข้ควรบอกว่าหรือจะเอามาหมวดในธรรมานุปัสสนาก็ได้เห็นไหมรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารละขันและก็วิญญาณะขัน ในขณะที่หมาขุนสจิรุบาทรกำลังเป็นไปอยู่ในขณะนั้นนะเวทนาเจสิกเวเวทนาขันสัญญาเจสิกเป็นสัญญาขันสังขารเจสิกเป็นสังขารและขันแล้วก็วิญญาไอจิต ก, ก็เป็นวิญญาณขันนามธรรมที่กําลังเป็นไปเบียดเสจเหล่านั้นเนะ่ยเป็นอารามนปาปัจจัยแก่สติแก่สัมปชัญญะแก่ปัญญาได้หมดเลยในการที่ไปวิจัยทีนี้การวิจัยต้องเจาะสักเรื่องหนึ่งนึงนะเจาะสักเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ดิงจะไม่พูดเจาะลงเนี่ยนะก็เจาะว่า เราจะเดินยังไงเราจะเดินยังไงในขณะที่เกิดกุศลกําลังเป็นไปกับการเจริญปารอพุทธคุณที่เราจะเจาะในการพิจารณาใครควรในสูตรทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเดินตามสัมมาทิฏฐิสูตรก็ดีเดินตามสติปัฏฐานสูตรก็ดีเดินตามหมาจาตลาลีสกัสูตรเป็นต้นเนี่ยถ้าดูว่ารู้จักสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักมิจฉาทิฏฐิ ว่าเป็นวิชาทิฏฐิความรู้ของเธอนะั้นจึงเป็นสมาทิฏฐิที่จริงในสูตรมีอยู่ถ้าอาตมาไม่เอามาหยิบเนี่ยถ้าหยิบแล้วยาวอาตมาดูเวลาแล้วเนี่ยพอหยิบปุ๊บเนี่ยไปยาวเลยแต่เนี่ยเนี่ยไปยาวเลยคือพยายามเวลาที่มีจํากัดแ ล, ล้วเราท่านทั้งหลายเนี่ยนานๆจะได้มาเจอทีเนี่ยบางทีอาตมาเก็บข้อมูลมาใช่ไหมก็พยายามจะมาย่อยว่าเ อ, อ้อทํำยังไงให้ให้เข้าใจไว้ก่อน ส่วฐานในการที่จะไปเรียนกันเป็นสูตรเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันบรรยากาศอย่างนี้จับจับประเด็นให้ให้ในรายละเอียดทั้งสูตรเลยเนี่ยอันนั้นก็ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างค่อนข้างต้องใช้เวลาเยอะทีนี้มันก็ต้องอีกอีกบรรยากาศหนึ่งก็คือว่าในขณะที่ที่ปัญญาไปวิจัยไปพิจารณาถามว่าตอนนั้นนะ่ะสติถามว่าสติปารบอะไร สติในการที่ไปปารบรูปเวทนาสัญญาสังขารนิยามถามว่าตอนนั้นปารบศรัทธาปารบเจตนาปารบปัญญาเป็นต้นหรือปารบกลุ่มนามมาทำทั้งหลายที่กําลังปารบคุณของพระุทธเจ้าซึ่งเป็นปรามุ่ดปีติและปะสัสสติและความสุขอยู่นั้นสติที่กามตามระลึกให้ควรไปนั้นนะ่ยตามระลึกเพื่ออะไรสตินั้นตามระลึกเพื่อจะละมิจฉาทิฐิเพื่อจะบรรลุสัมมาทิฏฐินะ เพื่อจะเข้าถึงสมาธิถี่นะสติที่ตามระลึกเนะี่ยเพราะในสังสารวัฏที่ผ่านมาหรือในอดีตที่ผ่านมาเนะี่ยเราท่านทั้งหลายไม่เคยเห็นตรงนี้เลยคือไม่เคยเข้าใจเลยในภพนี้ไม่เคยเข้าใจเราเข้าใจผิดมาอย่างยาวนานว่าเราเป็นผู้พิจารณาพุทธคุณแท้จริงไม่ใช่เราเป็นผู้พิจารณา พ, พุทธคุณนะแท้จริงตอนนี้ศรัทธามีอาหารมีปัจจัยปารพพุทธคุณเพราะได้ความรู้ได้ข้อมูล ปัญญาได้อาหารได้ปัจจัยก็กําลังวิจัยพุทธคุณใช่ไหมเจตนาในความตั้งมั่นในการที่ในใ น, ในการทำกรรมทั้งหลายนะ่นก็เป็นการปารบพุทธคุณอยู่กลมนามธรรมทั้งหลายที่มีสัตทินีเป็นประธานบ้างปัญญาเป็นประธานบ้างเป็นต้นอะไรนี้กำลังปารบพุทธคุณเป็นไปอยู่ฉะนั้นตัวปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายไปวิจัยวิจัยเพื่อจะทําสัมมาทิฏฐินั้นให้มีกําลังแข็งแรงมากขึ้น และในขณะเดียวกันก็เพื่อจะละมิจฉาทิฐิที่มีความเข้าใจว่าเป็นสัตว์บุคคลเป็นผู้เห็นเป็นผู้เข้าใจเป็นผู้รู้เนี่ยออกไปเรื่อยๆแล้วให้เห็นโดยความเป็นกลุ่มของสภาวธรรมจริงๆในการที่ไปปารบคุณของพระบรมศ า, ศาสดาเป็นต้นเหล่านี้ความลุ่มหลงก็ถูกขจัดไปเรื่อยๆนะมิจฉาทิฐิก็ถูกละคายไปด้วยความด้วยความที่ปัญญานะไปวิจัยและในขณะเดียวกันสติก็ตามระลึกเพื่อจะละ มิจฉาทิฐิเข้าถึงสัมมาทิฐิวิริยะก็เข้าไปเพียรพยายามเพื่อจะละมิจฉาทิฐิเพื่อจะบรรลุสัมมาทิฐินั้นปัญญาเหล่านั้นเป็นสัมมาทิฐิสติเหล่านั้นเป็นสัมมาสติและความเพียรเหล่านั้นก็เป็นสัมมาวายามะเขาขัดเกลากันอย่างนี้เขาขัดเกลาอย่างนี้ ฉะนั้นในกรณีขัดเกลวขัดเกลวการไปการการดําเนินในการเจริญไปและลักษณะอย่างเงี้ยถามว่าพอไหมไม่พอจะพอได้ยังไงใช่ไหมความดําริเรายังไม่รู้ว่าผิดหรือถูกยังไงเลยมันก็ต้องใไขควค ว, ความดําริในการระลึกถึงขุนดํำริถึงคุณเนี่ยว่าดํารินี่ดาริในลักษณะนี้เป็นสมมาทิฏฐิเพื่อจะละการดํำริผิดคือดําริที่เป็นวิชาทิฏฐิตัวปัญญาเนี่ยแหละไปวิจัยไปห้อมล้อม ไปห้อมล้อมสัมมาทิฏฐิเขาเอามัดมสัมมาสังกปากเขาไว้ในการดำริีเพราะสัมมาสังกปาเนี่เป็นตัวตรองเป็นตัวตรึกใช่ไหมท่านอุปมาเหมือนอะไรเหมือนกับกรณีที่ใช้มือเนี่ยจับเหรียญแล้วก็ค่อยพลิกใช่ไหมพลิกเป็นเหรียญทั้งล้นบ้างทั้งแหลมบ้างเป็นต้อนอะไรเนี้ยปัญญาก็เหมือนกับการเข้าใจว่านี่ล้นนี่แหลมเป็นต้นไอ้ตัวไปพลิกกลับไปกลับมาเป็นต้นทั้นกรณีที่ไปพลิกนี่เหมือนกัน ทีนี้ถามอกว่าปัญญาต้องเข้าไปวิจัยวิริยะต้องเข้าไปไปพยายามในการที่จะละแล้วก็สัมมาสติเป็นต้นก็ต้องเดินในการที่ตามระลึกในการที่จะละมิจฉาสังกปะเพื่อเข้าถึงสัมมาสังกปะนั้นถ้าหากว่าเข้าไปวิจัยในรักในรู้จักมิจฉาสังกปะว่าเป็นมิจฉาสังกปะรู้จักสัมมาสังกปะว่าเป็นสัมมาสังกปะแล้วก็อันเนี้ยจิงจะเป็นสมาธิที่รู้จักว่ามิจฉาสังกปะเพียรพยายามไปเจลิมิจฉาสังกปะ เพียรพยายามในการที blessing, ่จะเข้าถ kind of ึงสัมมาสังคปะความเพียรในนี้จึงจะเป็นสัมมาวายมะมีสติในการที่จะลึกในการจะละมิจฉาสังกปะมีสติตามลึกก็จะเข้าถึงสัมมาสังกัปปะรลึกอย่างนี้จึงจะเป็นสัมมาสติถามระลึกในการวิจัยอะไรวิจัยพุทธคุณหรือวิจัยจิตที่ไปรักระลึกถึงพุทธคุณเป็นต้นทําอย่างนี้ถึงจะลักพวกมิจฉามากทั้งหลายเป็นต้นได้ ถามว่าแล้วเคยสาทยายพุทธคุณมันแล้วสาทยายถูกไหมเป็นสัมมาวาจาหรือเป็นมิจฉาวาจาถ้าสาทยายดได้อากุศลเป็นมิจฉาวาจาเนือเพราะโดนขับเคลื่อนด้วยอากุศลเช่นบอกว่าโอเนสาทยายไปแล้วเดี๋ยวเราจะได้ลาบสาทยายไปแล้วโอ้โหเนี่ยนะชีวิตเราดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้ น, นใช่ไม มีแต่คนยกย่องสารเสวนเงี้ยจิตที่คิดเพื่อเป็นปัจจัยแก่การสาธยายจิตนั้นเป็นบาปไม่ตรงไม่ตรงเนี้ยพอไม่ตรงอย่างนี้นี้ต้องละมิจฉาวาจาอย่างนี้มิจฉาวาจานั้นคือมูลลากที่เป็นปัจจัยของการกล่าวไม่ดีทั้งหลายที่ความปัญญาที่เข้าไปวิจัยรู้นี่เป็นมิจฉาวาจานี่เป็นสัมมาวาจา ความเพียรในการที่จะบรรลุสัมมาวจาแล้วก็ละมิฉาววจาอันนั้นเป็นสัมมาวยมะสติที่ไปตามระลึกใช่ไหมเพื่อจะละมิฉาววจาแล้วเข้าถึงสัมมาอันนี้คือสัมมาสติก็ไปแวดล้อมสัมมาวิจาไปขัดเกลาสัมมาวิจาไปส่งเสริมสัมมาวิจาเป็นต้นเพื่อทําสัมมาวิจาที่เป็นโลกิยาให้เป็นโลกุตระเพื่อทําสัมมากรรมตะที่เป็นโลกย้ายให้เป็นโลกุตระก็ไล่ไปทีตัเนี้ย นี่ยาวนะถ้าว่างงี้นะแตน่นี่พูดพอเป็นหลักให้ดูว่าถามว่านี่เจริญได้ไหมถ้าเจริญอย่างนี้เราจะไปเจริญตรงไหนเออเจริญตรงไหนถึงบอกว่าเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยการหาที่ไว้ทีหลังถ้าความเข้าใจแล้วเนี่ยท่านบอกว่ายืนก็เจริญพุทธคุณได้ เดินก็เจริญพุทธคุณได้นั่งก็เจริญพุทธคุณได้นอนก็เจริญพุทธคุณได้แต่อย่านอนเจริญบ่อยเขาจะเพราะนอนนี่เรามันคุ้นเคยไม่ค่อยหน้าไว้ใจหรอกเดี๋ยวบอกว่าจ้าทนญาณธรรมานี่นอนเจริญเออเออครับฉันเองหรือผมเองนอนเจริญพุทธคุณทุกวันอมาจะฟังอยู่ครึ่งเดียวแค่นั้นยมบอกว่าจะฟังอยู่ครึ่งเดียวเออเชื่อเชื่อครึ่งเพราะว่าโดยมากหลับใช่ไหม ได้มากจะหลับเพราะยาบทนอนเนี่ยเกื้อกูลต่อการหลับได้ได้ดีมากนั่งนี่ไม่ค่อยเกื้อกูลเดินไม่ไม่ค่อยเกื้อกูลยืนได้แล้วนี่ยืนกับเดินนี่หลับไม่ค่อยได้แต่นั่งกันนอนนี่นอนนอนนิว้วก้นกลางชัดเจนนี่ตรงเนี้ยนะฉะนั้นถ้าหากว่าพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ก็แปลว่านี้คื อ, ค, อคือล่องลอยแห่งการที่จะเดินแต่จะไม่เก็บรายละเอียดไปแล้วเนาะเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บเลย เดีย๋ยวจะไม่ไม่เดีย๋ยวจะต้องการวิจัยบอาว่าเป็นปฏิจจะเป็นปฏิจจะในการที่จะเดินในกรณีอย่างการเป็นปฏิจจะเนเจตนาเจตสิกที่ในมาหาคุณจิตบาตเป็นสังขารเหตุของสังขารเหตุของเหตุของสังขารก็คืออวิชชาอาวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารอาวิชชาปัจยาสังขารเราเห็นไหมอ๋อแม้แต่ขณะที่เราท่านทั้งหลายกําลังเจริญพุทธคุณอยู่ กุศลจิตวบาตที่เป็นไปในการเจริญพุทธคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นเจตนาทั้งหลายที่ปราลบในคุณของพระบรมศาสดาเป็นต้นเป็นไปอยู่แม้เจตนาเหล่านั้นก็มันยังไม่รอดพ้นจากข่ายของผลของอวิชชาถามว่าในขณะที่เป็นมหากุศลไว้ใหญ่ได้ไหมให้ผลแห่งขันไหมให้ผลแก่ขันให้ผลแก่รูปประขันไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีวิบาก เป็นผลมีวิบากเป็นกําไรใช่ไหมแต่ถ้าเป็นหมาอุศนให้ผลเป็นความสุขหรือความทุกข์ให้ผลเป็นสุขใช่ไหมได้เป็นมนุษย์หรือเทวดาใช่ไหมถามว่าได้แต่สุขอย่างเดียวไหมไม่ได้เลยนะให้ความเกิดมาด้วยไห ม, ไมให้ชาติที่ทุกเนาะให้ชะลาทุกไหมพยาทีทุก์มรณะทุกโศกาบริเดวะทุกตะโอมนัสสัยแล้ก็อุบายญญาสความเกิดขึ้นเห่งกองทุกทั้งแท้ทั้งมวลมีได้ด้วยการอย่างนี้ใช่ไหม ให้ถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วให้ผลแก่ความสุขแท้หมายถึงสุขติภพเท่านั้นเองแต่ก็คือให้ทุกขสัตว์ให้ทุกขสัตว์เห็นไหมเจตนาในอดีตนั่แหละให้ทุกขสัตว์เห็นไหมคือบวกกับตัณหาบวกกับอวิชชาเขาจึงบอกว่าตัณหาเป็นสมุทยัยสัจจะให้หไหมให้อุปาทานขันห้า คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในปัจจุบันนพ่เราก็มาแบกทุกข์สัตย์ท่องเที่ยวเป็นไปอยู่วันนี้สมัยที่เราไม่ได้ศึกษาว่านธรรมเราก็แต่งทุกข์สัตริย์แล้วก็ไปบอกว่าเป็นยังไงทุกข์สัตย์ของเรางามไหมใช่ไหมคนเห็นทุกข์สัตริย์ด้วยความเป็นของงามเขาเขาวิประิตมนส์ศิลป์โอ้โหเห็นเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ยังงามอยู่เขาเห็นทุกข์ัตรว์ด้วยความเป็นกองเที่ยง เขาก็ว oh, ิปริตมนุิการโอ้โหครอบครัวนี้มีความสุขเขาก็เห็นทุกข์ศาสตร์ด้วยความเป็นสุขก็เป็นวิปริตมนุิการโอ้โหเห็นไหมนี่ลูกเรานี่อะไรก็ว่าไปตาเราหูเราจมูกเราเขาก็เห็นทุกข์ศาสตริย์ด้วยความเป็นอัตตาก็วิปริตมนุิการเห็นไหมสัจจะคือความจริงเป็นทุกข์แต่ปุถุชนไม่เห็นความจริงอันนี้ไม่เห็นความจริงอันนี้ เมื่อไม่เห็นความจริงอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเขามีทุกข์เป็นไปในเบือเเเบ้องหน้าแล้วเจอมั้ยเขามีทุกข์เป็นไปในเบื้องหน้าแล้วแล้วเขาออกจากทุกข์ไม่ได้แล้วเพราะเขายินดีพอใจในทุกข์ทุกตั ว, นวนเนี้ยไอ้คาว่านิโรธาเนี่ยโรธาเป็นชื่อของคุกนะอีกศัพท์หนึ่งเน่ยโรธะเนี่ยนิคือพ้นเจอมั้ยนิโรธานี่คือการพ้นจากคุกใช่มั้ย ฉันให้ตัวทุกข์ขั์นี้เป็นตัวคุกตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือการติดคุกมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือพอพูดว่าว่ามันเป็นโทษอย่างนั้นมันเป็นคุกนะอีกท่านหนึ่งบอกว่าถามบอกว่าก็ท่านจะให้ผมศึกษาให้เอากุญแจเอากุญแจไปไขกุญแจออกจากคุก ก็ผมไม่เห็นว่ามันเป็นคุกนะผมจะไขยังไงเอาสิเขาไม่เห็นฮะเขาไม่เห็นว่าเป็นคุกเขาจะไปไขออกทำไมเขาเห็นว่าถ้าเขาออกจากตรงนี้ต่างหากมันเป็นคุกแก่เขานี่ไงเขาเห็นว่าวัตะนั้นมันดีสำหรับเขาไปซะแล้วคนออกจากคุกไม่ได้แล้วความคิดนี้น่ากลัว น่ากลัวมากต่อไปจะพัฒนาลงไปเรื่อยถ้าไม่รีบถอนความคิดหรือไม่รีบให้ข้อมูลคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ชัดนะในที่สุดจริงๆเขาจะออกไม่ได้เมื่อออกไม่ได้นี่เสียหายเลยแล้วสัตว์ที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่สิบไม่ใช่ร้อยไม่ใช่พันไม่ใช่ล้านมากมากกว่านั้นเยอะไม่รู้ไม่ใช่โก ฉะนั้นตรงนี้ที่บอกว่าเจตนาเจตสิกที่ในมหากุศลนจิรบาทชื่อว่าสังขารเห็นไหมสังขารนั้นเป็นผลของอวิชาสังขารมีอวิชาเป็นปัจจัยก็ไล่ในรูปนี้ปฏิจจาใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าปฏิจจาสายนุโลมนี่สายนุโลมเราก็จะเห็นความเป็นไปของปฏิจจาแล้วประการต่อมาก็คือว่าวิญญาณวิญญาณมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยนามรูป ย่อมมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยสรายยตนะย่อมมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยผัสสย่อมมีเพราะสรายยตนะเป็นปัจจัยเวทนาย่อมมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยตัณหาย่อมมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยอุปาทานย่อมมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยพบมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยชาติย่อมมีเพราะพบเป็นปัจจัยชรามรณาโสกาบริเดวทุกโทมานัสาอุปาญาตมีเพราะชาติเป็นปัจจัยนี้เขาเรียกสายอนุโลมเห็นไหมว่านี่คือมหากุศลจิลบารถิปารลพุทธคุณ ทีนี้ถ้าจะค่อยๆไล่ไปเนี่ยเวลามันต้องใช้เยอะใช่ไหมามาก็เลยต้องรีบเดินพุบๆไปเนี่ยนะ เ, เข้าใจใช่ไหมว่าหนึ่งให้เข้าใจสักอย่างหนึ่งก่อนแล้วก็ท่านทั้งหลายก็ไปไปทาการบ้านกันต่อในการที่ไปไข้ครวนเพราะเวลาของเราต่างคนก็เหลือน้อยเหลือน้อยแล้วที่เราจะออกจากวัาตากันเนี่ยนะหมายความในพบเนี่ยเวลาสั้นมาก ท่านทั้งหลายอย่าเพลิดเพลินถ้ามันเกิดความเพลิดเพลินเมื่อหไหร่แปลว่าท่า น, นประมาทเบี่ยงมากแล้วเพราะเวลาที่เหลือเนี่ยเราไม่รู้เลยลมหายใจมันจะขาดณนะวินาทีไหนในอนาคตท่า น, นมันสั้นมากการศึกษาทุกครั้งทุกคําสอนของพระเจ้าต้อ ง, ต, องต้องใช้ให้ได้ต้องใช้ให้ได้ต้องวิจัยให้ได้ต้องมาเป็นปัจจัยแก่การใขข้อควรแล้วก็จากสุตตะต้องเป็นกินตาจากกินตาต้องเป็นภาวนายเกิดขึ้นได้ถ้างั้นเสียหายมาก ทา ง, งั้นแย่แล้วการเรียนน่ะแย่แล้วคุณเรียนอะไรแล้วตอนนี้ยคุณต้องกลับไปถามแล้วมันไม่ใช่เรียนเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสนุกสนานหรือไม่ใช่โอ้โหคําสอนของพระเจ้านี่อศัศจรรย์แท้อาจารย์แย่กลับมาก็ไปเที่ยวสนุกสนานพอไปเรียนแต่ที่โอ้โหลึกซึ้งจริงๆลึกซึ้งจริงๆกลับมาก็ไปเที่ยวอย่างเดิมอันนั้นคุณผิดพลาดแล้วคุณผิดพลาดแล้วไม่ได้เป็นไปเพื่อการขัดเกลาร์เลย เราไม่ใช่เรียนต่อรองกับพญามารใช่ไหมไ ม, ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าต่อรองกับยงบาบาลบวกเราเรียนแล้วเราเรียนแล้วคุณอย่าจ้องเรามากไม่ใช่เราเรียนต้องการที่จะขัดเราต้องการที่จะละาลาค่ะดูสามโมหะใช่ไมที่เราจะเดินทางอะไรก็ว่าไปโพธิอย่างใดอย่างหนึ่งก็สร้างกับว่าแม้แต่สัมมาสัมโพธิโพธิสัตว์ท่านยังไม่ประมาทเลย ถึงแม้ท่านคิดว่าอีกตั้งยี่สิบประสงค์ขายท่านยังไม่ประมาทเลยเห็นไหมท่านคิดว่าอีกตั้งยี่สิบประสงค์ขายท่านถึงจะได้ตัดสั้นว่าพอท่านเห็นโทษของราคะท่านก็สละบัลลังก์เนี้ยนองดูเส้นทางของท่านว่าท่านเดินแบบนี้เราก็จะได้มาเทียบเคียงว่าเอะเดินอย่างเราพอจะได้มรรคกับเขาบ้างไหมใช่ไหมมันจะได้มรรคบ้างไหมแต่ต้องเอาเป็นสมมารมรรคอริยมรรคเนะียไม่ใช่เอามิจฉา ใชไหพระเราต้องการลามะมิฉามักต้องเจริญสัมมามักอริยมักเพื่อจะประนารถนะนุบาธาบริณิพนธ์แต่ถ้าถามว่าถ้าทมแค่เนี้ยเพียงพอไหมอย่าลืมนะว่าท่านทั้งหลายที่มานั่งรวมร่วมกันอยู่ที่ไปเกี่ยวข้องโดยฐานะเป็นสามีภรรยาปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องเป็นเพื่อนเป็นฝูงช่วยกันไม่ได้เกี่ยวข้องโดยฐานะกรรม ผ, ผักดันไม่เจอกัน แล้วก็อยู่ในฐานะที่ต้องเกื้อกูลกันโดยฐานะ ห, หนึ่งเท่านั้นเองแต่เวลาท่านทั้งหลายไปเกิดเป็นเปรตอจุรกายสเดชาสนาันนลท่านเหล่านั้นก็หมดสิทธิ์จะช่วยเราช่วยไม่ได้จะเป็นคนพิการบ้าใบ้บอดงนวเขาก็ให้เราพ้นจากฐานะนั้นไม่ได้แต่กรรมของเราของท่านทั้งหลายที่ทำไว้เท่านั้นแหละที่มันจะขับเคลื่อนผักดัน ใช่ไหมเจตนาที่ตั้งมั่นในคุณของพระรัตนตรัยเป็นต้นเท่านั้นเองพระพะุทธเ จ, จ้ า, ารเท่านั้นแหละจะกําจัดภัยให้กับเราทานั้งหลายเป็นต้นได้ใช่ไหมถ้าไม่มีพระบรมศ า, าสดาพระธรรมหรือพระรยสงฆ์นะจะเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นกั้งกำจัดภัยเราไม่ได้ใช่ไหมนั้นต้องใคร่คนอย่างเงี้ทีนี้ตามาพิจารณาในลนักษณะนี้เราจะเห็นบอกว่าเจตนาอาวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสรายาตนาภาษาเวทนาตัณหาอุบาทานภาวะแล้วก็ ชาติชารามาราณะาเป็นต้นเหล่านี้เห็นไหมว่าเป็นไปในลักษณะที่ว่าปฏิจจาวาสายานุโลมก็เป็นไปอย่างนี้แม้แต่การเจริญพุทธคุณต้องพึงระวังแม้เจตนาที่เป็นกุศลเนี่ยจะลืมนะว่าในสังสารวัฏที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องเคยเจริญพุทธคุณมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยเจริญเราเคยแตกฉานพระตรีพิดกมาแล้วอย่างที่พูดเคยเป็นอาจารย์ใหญ่รจนาคัมภีร์มาแล้วในพระพุทธเจ้าหลายๆองค์ แต่เพราะโทษของการที่เราประมาทมัวเมาเราจึงออกจากวะตฏฏะไม่ได้แล้วก็เคยเป็นยาจกวันนี้พกเกยเป็นอภัยศัตร์เป็นต้นมาเรียบร้อยเป็นเสร็จแล้วอะไรที่ไม่เคยเป็นไม่มีเนี่ยนี่ต้องต้องตั้งทงตรงนี้ให้ชัดของที่เรามานั่งเรียนกันมานั่งฟังวันนี้คือเรื่องเดิมเรื่องเก่าแต่ถูกทับถมจากภพชาติทั้งหลายต่างๆแล้วเราก็ลืมสนิทกันเลยเนี่ยนะกว่าจะมาฟื้นความเข้าใจอะไรได้เนี่ยยากไม่ง่ายเลยเนี่ยนะ แต่ให้รู้ว่าจริงๆนะหวานมาเจตนาถามว่าแม้กุศลที่กําลังเกิดขึ้นปาลบพุทธคุณเจตนาที่กําลังเป็นไปอยู่กุศลจิตวิญาณกำลังเป็นไปอยู่เนะเจตนาเป็นปัจจัยสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปนามรูปเป็นปัจจัยแก่อายณะอายณะเป็นปัจจัยแก่ภาษาภาษาเป็นปัจจัยแก่เวทนาถามว่าบางท่านก็หลุดพอเวทนาแล้วตัณหาก็ตามเห็นไหม มันก็เพลิอนอยู่แค่ตรงนั้นแหละมันก็ไปไม่ได้พอตั้นหาเกิดอุปาทานก็ตามแล้วก็ทำกรรมใหม่เพื่อปานาพบแล้วก็ชาติเห็นไหมชาติทุกข์ก็ยังลงอีกหละชราทุกข์ก็ยังลงแล้วมรณะทุกข์ความโศก ค, ความร่ำไรําพันมันก็ออกจากวัตฏะไม่ได้อีกเห็นไหมออกจากวัตฏะไม่ได้เพราะ เราไปเจริญพุทธคุณสายเกิดไม่ได้เจริญพุทธคุณสายดับเอาวิชา<ม>ใช่ไม้มนี่เขาเรียกเดินผิดเหมือนเราไปเรียนว่าทธรรมเนี่ยมันก็เรียนว่าทธรรมสายเกิดกันเยอะแยะหมดแล้วมันต้องน้อมในการที่จะเรียนสายดับใช่ไหมใช่ต้องรู้ทั้งสองสายนั่นแหละแต่การรู้สองสายเราจะได้รู้เหตุเกิดแล้วก็จะรู้เหตุในการที่จะดับ เป็นต้นเราเนี้ยถ้าสายดาบถามว่าถ้าปัญญาเจตสิกเป็นประธานหรือเพราะปัญญานั้นเป็นสภาวะที่รู้เห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงด้วยใช่ไหมเพราะปัญญาเกิดขึ้นในกุศลมากุศลจิตุบาทเกิดขึ้นน่ะถามว่าถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นในการเจริญจริงๆเอาสิเธอเนี้ยถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นในการเจริญจริงๆมันจะเริ่มต้นจากการไข้ครวนดังที่ได้กล่าวไข่ครวนอะไรไข้ครวนวเป็นสัมมาทิฐิรหรือมิจฉาทิฏฐิ มันไครวรในการที่จะละอะไรละมิจฉาทิฏฐิพ่อภูมสมาธิฏฐิความรู้ของท่านเหล่านั้นจึงจะเป็นสมาธิฏฐิเข้าใจพุทธคุณถูกด้วยว่าพุทธคุณต่างๆเหล่านี้คืออัตถะของพุทธคุณสภาวะของพุทธะ ค, คืออะไรรู้ทั้งบัญญัติเรื่องราวความเป็นมาอย่างยาวนานไม่ว่าเริ่มตั้งแต่นายมานบนุ่มนะที่มานพนุ่มแบกมารดาข้ามมหาสมุทรก่อน20่สประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนกับ แล้วต่อมาสุดท้าว่าจะพรหมนีไปตรวจดูในพรหมโลกเหม่พรหมโลกเนี่ยตอนนี้ในผ้านาคารู้สึกจะร้อยหลอลงประชากรเริ่มลดน้อยลงเนี่ยนะนัเข้านัาเข้าโอ้โหาหาบุรุษใจเพชรในการจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ไม่มากน้อยๆเลยเพิ่มสักหนึ่งนี้นะในจํานวนอย่างเงี้ยนะก็ท่านก็โดนทั้นกรณีที่ท่านก็สร้างเหตุปัจจัยในการนี่ถามบอกว่าท่านบางบางคนเนี่ยเชื่อไหม ขนาดว่าดนใจแล้วยังผิดเลยถ้าเทวดาดนใจแล้วยังคิดผิดเลย mm hmm. ก็เห็นไหมละ่ะบางทีเทวดาดนใจปราถนาจะให้สร้างบา ร, รมียิ่งใหญ่ก็ไปสร้างเหมือนกันเพื่อการให้สร้างบา ร, รมีเพื่อจะเป็นพื่เจ้าแต่ไปสร้างบา ร, รมีเพื่อไปสร้างบา ร, รมีตนเองนะ <c oughs> เขาก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะบางคนเนะ่ยโอ้โหมีเทวดาเกี่ยวข้องเยอะแยะหมดใช่ไหมสักไอม้มีเทวดาที่มีศักดิ์ใหญ่มาอยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็เลยสร้างบา ร, รมีไม่ถูก เพราะขาดขาดการศึกษาพระธรรมอย่างชัดเจนก็เลยสร้างผิดผิดผ ด, ด้วยบุญเทวดาก็หนุนอยู่ไหมหนุนเข้าหนุนเข้ า, เ, ขาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิโอไม่เอาอะไรงี้ก็หนีไปเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้ช่องเข้ามาเกือ้อหนุนต่อโอ้แต่นี้มาลาบส ก, การแล้วก็เยอะแยะหมดเลยเข้าใจว่าไม่รู้ใครเข้าใจเยนไรหรืึเปล่านี่คือนั่นแหละก็เอาว่าอาตมามีเจดนาเพื่อให้เข้าใจว่า บางคนเนี่ยเจตนาของเทวดาหวังดีแต่ด้วยการที่ท่านผู้นั้นอัธยาศัยไม่ถึงก็ผิดพลาดเยอะแยะหมดฉะนั้นเทวดาโดนใจนะท่านท่านเป็นอุปนิสัยประจัยแต่บางท่านก็ได้บางท่านก็ไม่ได้แต่ท่านเนี่ยนะผู้ธเจ้าของเราเนี่ได้เพราะเป็นผู้มุ่งมั่นมากในกรณีอย่างเนี้นะเมื่อ เมื่อปัญญาต่างๆเกิดขึ้นในมหาขุสสจิตุบาตเป็นประธานเป็นต้นศรัทธาเป็นประธานเป็นต้นเจตนาแต่ปัญญาเป็นประธานเมื่อปัญญาไปพิจารณาไข้ควรพิจารณาก็เห็นอาาัถฐเห็นสภาวะร่วงลาวความเป็นมาแล้วเข้าใจนี่คือสภาพเนี้ยเหมือนอะไรสภาพของปัญญาที่มีความคล้ายสพัญญุตยานเออขออภัยไม่ใช่คะคล้ายปุเพนิวาสานุสติยาน คำว่าคายปุเพนิวาสานุติยานว่าปุเพนิวาสานุติยานที่ยานที่เป็นไปกับสติที่ตามลึกถึงกระแสของขันธาตุอายตนาของตนเองได้ในสังสารวัฏทีนี้การระลึกถึงชาติเนี่ยนะในอดีตของตนเองนั้นระลึกถึงชื่อได้ถึงโคดถึงตระกูลถึงญาติพี่น้องถึงสถานะรายละเอียดได้หมดแต่ที่รายละเอียดไปกว่า น, นั้นก็คือว่าปัญญาที่เป็นวิปัสสนาญาณของพระโุทธศาสนทั้งหลายเนี่ย ท่านสามารถไปตามเลือกเห็นกระแสของขันธ์ธาตุเอเยตนาเท่านั้นที่กําลังดําเนินเป็นไปอยู่เราจะเห็นว่าวิปัสสนาญาณของพระโพธิสัตว์กว้างขวางมากกว้างขวางมากวิววปัสสนาญาณของท่านนั้นมีปบเพนิวาสานุสติญาณซึ่งเป็นอภิญญาตัวนี้ท่านเป็นตัวนําล่องในการเกิดนําทางให้ท่านพอวิปัสสน า, าพออภิญญาเป็นตัวนำล่อง ระลึกหนึ่งขณะดจิตต่อมาที่เป็นมหากุสแลจิตญาณสัมบยยศของท่านที่ตอนนั้นยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ที่มีปัญญาเป็นประธานที่ตามระลึกถึงกระแสขันตามล่องลอยของอภิญยากำหนดขอบเขตไว้ให้เบ็ดเสร็จอย่างหาประมาณไม่ได้นะนะั้นน่ยสภาพของปัญญาวุรยสติสมาธิปัญญาเป็นต้นของท่านเห่านั้นนะนะกระแสของวุรยสติและววิร สมาทิฏิสัมมาวายามะสัมมาสติของท่านนะที่ตามหรือ ก, กลุ่มนา ม, มาทำทั้งหลายที่เป็นไปกุศลที่มีปัญญาเป็นประธานที่ตามระลึกถึงกระแสขันเห็นโดยความเป็นสัตว์บุคคลด้วยเห็นโดยความเป็นนามรูปเป็นปเป็นไปในสังสารวัฏย่างหาที่สุดไม่ได้เพราะท่านไม่ลุ่มหลงเลยแม้ระลึกเท่าไหร่ความลุ่มหลงก็ไม่เกิดเพราะท่านระลึกเป็นไปกับวิปัสสนาญาณที่ชัดเจนแล้ว ไม่ใช่อย่างเดียล์ถีนีคนทั้งหลายยิ่งระลึกก็ยิ่งมืดระลึกสี่สิบกับได้ก็มืดเหตุผลที่มืดเพราะไม่มีวิปัสนาปัญญาเป็นตัวเกื้อหนุนหรือเป็นปัจจัยหรือสมัยยุทธธรรมเกิดร่วมทีนี้พระโพธิสัตว์ไม่ใช่สาวกของพระเจ้าไม่ใช่ถึงจะแม้จะเป็นบุคคลยังเป็นบุรุษชนอยู่ในขณะนั้นแต่ท่านชนานาญทั้งสมถาวิปัสนาอย่างคล่องแคล่ว เวลาท่านได้ปุเพนพวัตวาสารนิตยานที่ยังเป็นบุรุชนกันอยู่ท่านก็ระลึกเห็นกระแสของขันธ์าตุยตนาด้วยแล้วก็เห็นด้วยความเป็นสัตว์บุคคลเป็นต้นด้วยเห็นด้วยความเป็นชื่อเป็นตระกูลเป็นโคดเป็นต้นด้วยยังหาที่สุดไม่ได้ด้วยแล้วท่านก็ไม่หลงในปรมัาบัญญ์เห็นไหมวิปัสสนาเนี่ยท่านถึงกล่าวว่าดูก่อนพรามณ์บอกว่าอุปมาเหมือนลูกไก่ใช่ไหมได้เจาะกระปาะไข่ ฟองแรกออกมาความมืดหายความสว่างก็ปรากฏใช่ไหมอวิชาในอดีตตถาคตได้ทําลายแล้วในปุเพนิวาสารุสติยานวิชาแสงสว่างปัญญาได้เกิดขึ้นกับต ถ, ถาคตเห็นไหมนั่นเกิดตอนไหนเกิดเป็นปุเพนิวาสารอันนั้นเป็นวิปัสสนาญาณไหมเป็นทีนี้เราก็มาดูกว่า ฉันเพราะปัญญาเจตสิกในมาหากศุศลจิตบาติเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นวิชาเกิดเมื่อวิชาเกิดเอาวิชาก็เห็นไหมท่านถึงบอกว่าสัมมาทิฐิเนี่ยท่านต้องไปละมิจฉาทิฐิไปละอวิชาเพื่อจะทําวิชาให้เกิดขึ้นสัมมาวายามะต้องเพียรละมิจฉาทิฏฐิเพียรที่จะเพียรปัญญาจะละโมหะเพื่อจะเข้าถึงสัมมาทิฐิสัมมาสติก็ต้องตามลึกในการที่จะละ วิชฉาทิฐิเพื่อจะเข้าถึงสมาธิที่ก็ตามระลึกเพื่อเจร่าอวิชานั่นเองถ้าในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่ามหากุศุิจิตบัติเกิดขึ้นอย่างนี้ยวิชาก็เกิดเมื่อวิชาเกิดอวิชาก็ดับจะดับแบบจะทั้งข้าพหานก็ดับอัธยาศัยนี่นะในสุดจริงๆนั่นแหละก็จะเป็นปัจจัยในการดับอย่างถาวรเมื่อสังขารดับนี่นะสังขารย่อนดับเพราะอวิชาดับ วิญญาณดับก็เพราะสังขารดับนามรูปดับก็เพราะวิญญาณดับสลายตนะดับก็เพราะนามรูปดับภาษาดับก็เพราะสรายตนะดับเวทนาดับก็เพราะภาษาดับตัณหาดับเพราะเวทนาดับอุปาทานดับก็เพราะตัณหาดับภพดับก็เพราะอุปาทานดับชาติย่อมดับเพราะอุปาทานดับถ้าชาติดับแล้วชรามรณะโศกกระปรีเดวะทุกขโทมนะสาอุปาญาตดับการดับแห่งวัาตทุกขจะมีได้ด้วยสายนี้ใช่ไหมถามว่าตทางก็ะปหารเป็นปัจจัยแก่สมุเฉทประหารไหม เป็นปัญหาของเราท่านทั้งหลายเนี่ยแต่ทางการทหารมันไม่เกิดมันเกิดน้อยเพรมันไม่เกิดอย่างต่อเนื่องหลายท่านนะอาจเคยเกิดแต่ไม่ต่อเนื่องพอไม่ได้ละอย่างต่อเนื่องแล้วไม่ได้ละเป็นระบบไม่ได้ละเป็นหลักการอย่างนี้นะถามว่าอาวิชารู้กว้างขวางมาก ไม่รู้ในอดีตไม่รู้ในขันธาตุยานาที่เป็นอดีตไม่รู้ในขันธาตุยานาที่เป็นอนาคตไม่รู้ขันธ์ธายานธาตุที่เป็นปัจจุบันไม่รู้ปฏิจจสุบาทไม่รู้อริยสัจีทุกสมุ ท, ทัยนิโรถมากฉะนั้นปัญญาต้องกว้างกว่าต้องกว้างกว่าอาวิชชาอย่าไปเจริญปัญญาให้แคบกว่าอาวิชชาอดีตอวิชชามันปิดหมด ปัญญาต้องเข้าไปกระทะหมุดเลยทั้งอดีตแอนาคตใช่ไหมในพระธรรมของพระเจ้าท่านสอนอย่างนี้ท่านสอนอย่างนี้พอจะมองเห็นใช่ไหมว่าฉะนั้นแนวทางในการอย่างสูงสูงข่ขันธะอายตนะยินทรีย์ปฏิจจะเป็นต้นเหล่าเนี้ยอันนี้เป็นแนวทางในการไปพิจารณาเห็นด้วยความเป็นขนัธนธะอายตนะเป็นไปตามลําดับเอเขามีการเบรกกันหรือเปล่า